ไม่รู้จักจบเว่าไงสมพานเพราะนั้นจะมีทอดผ้าป่าอยู่เรื่อยมีซองผ้าป่าอยู่ประจำนายทายกเนี่ยก็ต้องมีผ้าป่าจะได้กระจกยชาวบ้านอยู่เรื่อยพวดรสุดยายนั้นก็เลยตายแต่คนรวยกว่เพื่อนในหมู่บ้านพอตายไปแล้วก็ไม่ไปไหนในวิญญาณเขามาสิงลูกหลานอยู่ในบ้าน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 หนีซองผ้าป่ากเกลัวกลัวซองผ้าป่าเพราะนั้นหลวงพ่อมีนิทานเรื่องนี้อยู่หลวงพ่อก็เลยไม่ค่อยแจกช่องผ้าป่าเท่าไหร่ที่ควรเอามาให้นี่นะมาให้ป็นกระตักเลยตนะรงพ่อไม่ค่อยแจกนะแจกคุณหมอที่เป็นหัวหน้าคือผ้าป่านี่ยเป็นผ้าป่าสามคี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 แต่เท่านี้ไม่รู้ว่าจะหาน้ำมะม่วงจากที่ไหนพระเจ้าข่ารัาผมภาษาลิบุตเออไม่เป็นไรล่าหุนเดียววันพรุ่งนี้พอสว่างเป็นวันใหม่ภาษาลิบุตก็เป็นผู้พานำนำสัมมาเนรล่าหุน่นเข้าไปในกรุงสวัรค์ีเนี่ยพอไปถึงกรุงสวัรค์ีแล้วก็เดินเข้าไป